ที่ของพวกเราต้องการเข้ามาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องจำระโทกเป็นเครื่องแจโทก นอกจากเป็นเครื่องจำลาทุกเป็นเครื่องแก้ทุกแล้วก็เป็นต้นเหตุสำหรับที่จะบำเพ็ญทางด้านกายวาจาใจของพวกเราให้เข้าถึงความสุขเจตนาของพวกเราสัญชาตญาณด้านจิตใจไม่มีใครต้องการความเป็นทุกข์ แต่แล้วพวกเราเกิดมาผ่านวันเดือนปีแบบทางโลกแสวงหาความสุขก่อนที่จะเข้ามาบวชความสุขที่พวกเราแสวงหาพวกเราสร้างพวกเราทำพวกเราได้แล้วมีแล้วมากน้อยขนาดไหน ถ้าดูตามความเป็นจริงตัวเนี่ยพออยู่ได้เป็นวันวันเอาชีวิตอยู่รอดอยู่ได้เป็นวันวันส่วนเรื่องที่จะให้เกิดปัญหาด้านจิตใจมันมีมากตี่เนี้ย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสจรู้รู้แล้วเรื่องนี้ถ้าเพื่อเป็นไปได้ฝึกทาใจของพวกเราให้เขาหาของคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อานิสงการรักษาศีลศีเลนสุขเตงยันติ ดนั้นการบวชการปฏิบัติธรรมจึงเด็กไม่ได้เรียงไม่ได้ในการรักษาศีลการรักษาศีลงดเว้นจากความชั่วทางกายไม่ให้กระทำความชั่วทางวาจาไม่พูดความชั่วทางจิตใจไม่ให้นึกคิดตามความชั่ว ถ้าเพื่อพวกเรามาศึกษาเรียนรู้หน้าที่ของพวกเราอยู่ในระบบของศีลโดยจฉพาะ <c oughs> ด้านจิตใจอารมณ์ความนึกความิยดถ้าเพื่อพวกเรายังไม่ได้มาฝึกเรียนรู้ทั้งเรื่องศีลธรรม ฝึกเรียนรู้ลักษณะของศีลของสมาธิสติปัญญาเนี่ยใจของพวกเรามันมีอำนาจของกิเลสมีอำนาจของตัณหากิเลตัณหาที่มันมีในใจนั่นแหะทำใจของพวกเราให้มีปัญหาให้มีความทุกข์ ความเนิกคิดวุ่นวายน้อยมีปัญหาน้อยความเนิบคิดวุ่นวายมากมีปัญหามากความเนิบคิดวุ่นวายนั่นแหะกระแสอันหน้าของกิเลสกระแสอั น, นาจของทันหาแล้วไม่ใช่ใจของเราเนิกคิดเองนะอนนัะไอเดียนู้ตรงนี้ถ้าใจของพวกเราเนิกคิดเองโดยไม่มีอะไรเสริม และพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเนึกความคิดมันเป็นอเนจังคิดเรื่องนั้นแล้วมันก็หยุดคิดเรื่องโน้นแล้วมันก็หยุดคิดเรื่องนี้แล้วมันก็หยุดคิดแล้วมันหยุดคิดแล้วมันก็ดับถ้าเผื่อไม่มีอะไรเสริมมันมันเลยกลายเป็นเรื่องอเนจังความไม่เที่ยงเกิดแล้วมันก็ดับ เกิดแลมกระดับดับแล้วมก็เกิดกับจิเฉะนั้นนะผู้มีกิเลสผู้มีตัณหาทางด้านจิตใจลอยทางลอยถ้าเผื่อไม่ได้ฟังไม่ได้ฝึกความนึกความคิดจะเป็นตัวเสริมของกิเลสเป็นตัวเสริมของตัณหา ลอยทางลอยมันมีกิเลสตัณหาไปตัวเสริมมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักเรื่องของศีลของธรรมศีลธรรมที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สังรวมระวังกายวาจาใจโดยจะพาะสังรวม ระวังอารมณ์ของใจให้ใจของเราอยู่ในอารมณ์ลักษณะของศีลของธรรมอย่าให้มันอยู่ในอารมณ์ของกิเลสตัณหามาเรียนรู้ตรงนี้เมื่อเรียนรู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติใจของพวกเราให้อยู่ในอารมณ์ของศีลของธรรม ศินคือความเรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยมาเรียนโนเออารมณ์ดีเป็นอย่างนี้อารมณ์เรียบร้อยเป็นอย่างนี้ฟังแล้วน้อมเข้ามาดูใจของเราอย่าฟังเฉยๆถ้าฟังเฉยๆก็เรียกว่าไม่เข้าใจ ถ้าฟังแล้วน้อมเข้ามาดูใจของเราอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีต่างกันคนละเรื่องไม่ใช่หรืออารมณ์เรียบร้อยกับอารมณ์วุ่นวายต่างกันคนละเรื่องไม่ใช่หรือนอกจากอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อ ย, อยนนและศี ย, ยนคือความปกติกายปกติใจ ใจดีใจเป็นปกติใจไม่ดีใจมีความวุ่นวายใครจะมารู้กับเราเพราะเป็นเรื่องใจของเรามีแต่เราเท่านั้นเองรู้เรื่องของใจตัวเอง ฉะนั้นสินนอกจากอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสินคือความปกติกายปกติใจใจดีใจเป็นปกติหมายถึงความสำนึกความรู้สึกนั่นเองภายใต้ความสำนึกภายใต้ความรู้สึกน่นะนะให้มันอยู่ในอารมณ์ของความเป็นปกติสีหลังสีลา ศินท่านเปียกบนก้อนหินแผ่นหินแดดมาฝนมาลมมาทุกทิศทุกทางก้อนหินแผ่นหินมันไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะานมาฝึกทมใจของพวกเราอย่าไปนึกไปชิดฟุ้งซ่านวุ่นวายให้ยูเป็นปกติเหมือนแผ่นหิน สีหลังสีหลาเหมือนแผนเนีนเหมือนก่อนเนีนใจปกติดีกับใจไม่ปกติมันเป็นคนละเรื่องกันใจปกติมันเป็นลักษณะอยู่ในความเป็นศีลเป็นธรรมใจไม่ปกติมันเป็นลักษณะอยู่ในอารมณ์ของจิเลสตัณหาแล้วเพศแล้ว ฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจากภาคปฏิบัติปฏิบัติก็คือเรียนรู้ลักษณะเรียนรู้กิเิยาแล้วลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของศีล กิริยาที่แสดงออกอย่างนี้เป็นกิริยาของศีลของธรรมเมื่อเราเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วเราก็นำมาปฏิบัตินำมาฝึกกายวาจาใจของพวกเราโดยเจาพาะ <c oughs> พระสมณะ อท่านเรียกว่าพวกเราเป็นพระพระธาแปลเป็นภาษาเราก็เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐอยู่ในลักษณะของศีลของธรรมพระน่ะประเสริฐผู้ประเสริฐสมณะผู้สงบมันต่างกันกับความวุ่นวาย ฉะนั้นพวกเราบวชเข้ามาเป็นพระก็เรียกจะเป็นสมณะนักบวชก็เรียกต้องให้เข้าใจพระเป็นผู้ประเสริฐในกิริยามนรายา์อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมสมณะผู้สงบกายว่าใจาใจของพวกเราให้อยู่ในลักษณะของศีลของสมาธิ ฉะนั้นสมาธิคือความสงบใจสงบวายจาเป็นผู้มีสติเรื่องใดที่จะพูดให้มีสติเดียนรู้หรือเรื่องรู้ถ้าเผื่อเป็นไปได้ใช้เฉพาะเสียงให้พอได้ยินกันพูดกันคุยกัน ต้องมีสติแะ้เลือกรู้เรียนรู้จากกริยามารยาทการแสดงออกถ้าไม่นึกรู้ตัวลักษณะนี้ใช้กริยากำโพดมันจะไม่รู้ตัวโพดต อ, อไปเรื่องไม่ควรจะใช้เสียงดังเมื่อใช้เสียงดังขึ้นถ้าเป็นลักษณะอันนั้นเยวแสดงว่าไม่มีสติเรียนรู้หน้าที่ ไม่มีเจ ต, ติรักษากิริยามรารยาทว่าท่ามกลางของสังคมแบบทั้งโลกมันก็ท่ามกลางของคนเมากิริยามรารยาคนเมาก็มีเจ ต, ติรู้เรื่องเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนกิริยามรารยาของเขายิ่งไปเสริมอารมณ์โลภโกรนหลงเข้าไปยอะเยี่งดูไม่ได้ แนั้นแรงเล็ดของโมหะความหลงนั่นนะ่ะมันไปเสริมกับอารมณ์ของกิเลสตัณหามันจึงเป็นคนในเรื่องกับศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นดวงจิตดวงใจของพวกเราให้มีสติเป็นเครื่องระลึกลูกสติปัญญาสติปัญญานะที่พวกเราพูดอยู่นั่นนะ่ะ หรือพวกเราศึกษาเรียนู้อยู่นั่นแะสติเครื่องและเลิกลูลจิิยามารยาทของตัวเองปัญญาดูในเหตุในผลก็อย่างที่ว่านั่นแลวกิจกรรมอันใดช่วยการเป็นจิตวัดก็อเอาใจใส่กิจกรรมอันนั้นอันใดที่เป็นไปเพื่อความเรียบร้อย กิจกรรมที่เป็นจิจวัตรนั่นๆต้องช่วยกันทำช่วยกันดูแลเป็นจริยารรมญาติของพระของสมณะเฝึกกายวาจาใจของพวกเราให้เกิดความสุขแบบธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนนักบวช หรือว่าชาวพพธจะเป็นแม่ขาวนางจีอุบาสกอุบาสิกาก็าตามท่านกระบอกอ่าในสงแบบเดียวกันรักษาสินสีเลนะสุกติยันติถ้าบุคคลผู้ใดลดแว้นจากความชั่วกายว า, ายใจใจอยู่กับศีนสินอยู่กับกายว า, ายใจใจของบุคคลผู้นั้น มันเป็นกฎธรรมชาติเพื่อเกิดความสุขแบบธรรมชาติเยใจไม่กังวลจิตใจไม่เหลือดรอน้นเจยใจมีความสงอบอบอุ่นเพราะพะลังของศีลคุ้มครองปกป้องรักษาอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะใช้สติและเลิกู้เรียนู้กิจกรรมจิตยาของตัวเอง โดยจะพอฝึกนั่งสมาธิสติสมาธิปัญญานั่ยนะถ้าใจของเราอยู่ในลักษณะอารมณ์ของศีลคืออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์สบายสบายอารมณ์เป็นปกติแล้วนึกพุโทโธพุธโทโธมาเป็นส่วนประกอบ ให้ใจของพวกเราอยู่ในอารมณ์ของสมาธิหรืออยู่ในอารมณ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ฝึกสมาธิให้ใจวให้ใจของพวกเรามีความสงบก็แล้วแต่จะว่าฉะนั้นจิจกรรมหน้าที่ของพวกเรานี่งานของพวกเรามันไม่มีอะไรมีแต่การรักษา ใจของพวกเราให้อยู่ในลักษณะของศีลของธรรมอย่างนี้อริยบทที่สี่เยืนเดินนั่งนอนโดยเฉพาะที่พวกเรานั่งอยู่ในขณะ น, นี้นั่งฟังธรรมฟังคาสอนอยู่ในขณะนี้ท่ามกลางของความเงียบให้เป็นความเงียบสงบทางด้านจิตใจของพวกเรา ถ้าใจของพวกเราไม่มีความสงบมันจะเงียบสงบแต่ทางนอกสถานที่เราอยู่มันไม่มีเสียงเสียงผู้เสียงคนเสียงรถเสียงเรือเสียงร้องรำทำเพลงแบบทั้งโลกมันไม่มีท่านเรียกว่าสปายยะสถานที่มีความสบายอยู่สบายคำว่าสปายยะอยู่ความสบาย อย่าให้มีแต่เชื่ออย่าให้มีแต่คำพูดอยู่ด้วยความสบายอะไรสบายให้เห็นใจให้ทำใจของเราเข้าถึงความสบายด้วยสบายยะคือความสบายทำใจของเราให้เข้าหาความสบายนึกความสบายให้มันเกิดมันมีขึ้นภายในจิตใจของพวกเราภายใต้ความสำเนิกส่วนลึกของหัวใจให้มันเห็น อารมณ์ของความสงบของศีลของสมาธิสติปัญญาอยู่แบบสบายสบา ย, บายอิสระเสรีภาพยืนเดินนั่งนอนอริยบททั้งสี่ของพวกเราจะนั้นพระน้องพระหนุมพระบวชใหม่ให้เข้าใจความหมายทั้งบวชใหม่ทั้งบวชเก่าต้องฝึกมาแบบนี้ทั้งนั้นจานั้นกลางวันหรือกลางคืนถ้าอยู่ว่าง อยู่ในความสงบอริยบทอยู่กติคนเดียวถ้าไม่ดูหนังสือเพิ่มเติมเสริ ม, มความรู้ก็ให้นั่งภาวนาทำใจสบายสบายทำใจให้เป็นปกติดีดแล้วก็นึกพุทโธพุทโธตั้งใจตั้งสติฝึกให้ใจของตัวเองอยู่ในความสงบอยู่ในสมาธิหรือนั่งนาน จะเปลี่ยนอริยบทปฏิทุกหลังก็มีทางจงกรมที่เดินจงกรมหมายว่ามีไวสาหรับเปลี่ยนอริยบทนั่งมันนานยืนนานเปลี่ยนอริยบทเดินเนี่ยว่าเดินจงกรมเดินจงกรมก็เยืนเดินนึกพุโทโธพุธโทโธนั่นน่ะกำหนดความรู้นึกพุโทโธเดินกลับไปกลับมาจะช้าจะเร็ว เอาความเหมาะสมในอริยบทการเดินเดินยังไงมันจะดูดเดินยังไงมันจะบายถ้าเดิน <c oughs> ช้ามันจะดวกสบายแล้วก็เดินช้าถ้าเดินบแบบปกติธรรมดามันจะดวกสบายถ้าเดินปกติธรรมดาไม่ช้าไม่เร็วนั่นการฝึกเดินจงกรมเนี่ย จึงเป็นกิจกรรมสําหรับพวกเรามาฝึกมาปฏิบัติการปฏิบัติธรรมอริยบททั้งเสียเยือนเดินนั่งนอนอันนี้คือกิจกรรมการกระทําของพวกเราเหมือนอย่างในขณะนี้ <c oughs> พวกเรานั่งอยู่ในถ้มกลางของกลุมเงียบนั่งฟังธรรมทางภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจ ใจมีตติรู้ใจถ้าไม่มีตติรู้ใจแล้วลึกูลมันจะเกิดความง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาถ้าลักษณะนั้นอ่ะเพลียแล้วภาคปฏิบัติเผอสติเอาจากอารมณ์ของกิเลตัญหาฟุ้งซ่านลำคาญขึ้นมาลักษณะนั้นมันเพลียอันนั้นอ่ะฉะนั้นการปฏิบัติศิลปฏิบัติธรรม ที่เป็นหน้าที่ของพวกเราให้พาเข้าใจหน้าที่ของพวกเราการฝึกการปฏิบัติก็อย่างที่ว่านั่นละ่ะเียอย่าไปเทิ่งอย่าไปทํอาทอารมณ์อันอื่นมาแทรกแซงเข้ามาภายในจิตใจให้เป็นอารมณ์ดีอยู่ตลอดอารมณ์เรียบร้อยโสดใ้นลื่นเริง ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ทุกขณะจิต ยืนเดินนั่งนอนมีสติเดียนูนอกจากลักษณะนี้แล้วก็ความปกติกายปกติใจใจดีใจเป็นปกติใจก็มีความสุขควบสบายนึกภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธมาเป็นส่วนประกอบอันนี้กิจกรรมการฝึกหน้าที่ของพวกเราเข้ามาฝึกมาปฏิบัติเอาต น, นี้จะได้ยดอธิบายให้พวกเร า, ท, ท, าทุกคนทุกคน นั่งฝึกสมาธิใช้คำวิริกรรมพุทธพุทธอเป็นส่วนประกอบจนได้เวลาพอสมควรเน่าเข้าที่กรรันทุกองค์ทุกคนพี่เนี่ยเอาได้เวลาพอสมควรความหมายการฝึกคือฝึกกำลังของใจ ฝึกกำลังของสติมนุษย์คนเราถ้าใจขาดกำลังขาดสติความดีที่ตัวเองปรารถนานะั้นนะมันก็มีแต่ความตั้งใจอยากได้จ้องการเท่านั้นเองส่วนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต้องฝึกให้ใจมีกำลัง ให้ใจมีกำลังสมาธิกำลังของศีลของสมาธิของสติของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังตั้งใจฟังตั้งใจฝึกอยู่นี่แหละความหมายคือฝึกให้ความดีกำลังใจของเรามันเกิดขึ้นมีขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้ น, นจากการฝึกไม่ว่าอะไรทั้งนั้นละมันจะเกิดขึ้นได้เกิดจากการฝึกทั้งนั้น ผ่านเข้าใจความหมายการฟังการฝึกอมวเนี้เห็นว่าพอสำควรเจ้เวลาเลิกเปลี่ยนเรียบทที่นี่พวกโยมเลิกไปก่อน <c oughs> วันพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถ <c oughs> โดยเฉพาะพาบวชใหม่พระน้องพาหนุ่มนะฮะรู้จักนาที่วันอุโบสถพรุ่งนี้มารวมที่าลาเนี่ยประมาณเที่ยงทุกองนะมารวมที่ตลาดนี่เป็นประมาณเที่ยงถ้าพร้อมกันแล้วจะได้เดิมทําอุโบสถลงโบสถกัน <c oughs>